อาจารย์ครับกลับมารชการครับผมเจริญอาจารย์ครับเมื่อวานเมื่อวานนี้หนีไปวันหนึ่งครับเป็นเพราะว่าวานันวันเกิดครับอาจารย์ก็ดีมันเกิดเออค่ะวันเกิดครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับกลับสาธุครับอาจารย์ครับผมก<อ>มัน เ, เลยคนเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันทุกคน ครับพระคูครับอาจารย์ครับเมื่อวานพอดีว่าก็ไปฉลองวันเกิดนิดหน่อยครับพอตั้งใจจะไปฉลองแป๊บหนึ่งก็เห็นอินโฟกราฟิกเป็นคําเทศนาของพระอาจารย์ครับขึ้นมาเลยว่าคนโง่ไปฉลองวันเกิดแต่คนฉล า, ฉลาดฉลองวันไม่เกิดครับอาจาร ย, ย์ผมก็เลยผมก็เลยเมื่อวานก็เลยไปก็เลยตั้งเป็นหัวข้อนี้เพื่อมาขอความกระจาร่างความเมตตาจากพระอาจารย์ครับช่วยขยายความด้วยนะครับอาจารย์ครับ คนโง่ฉลองวันเกิดคนฉลาดฉลองวันไม่เกิดกับผมอก็คนโง่ก็คือคนไม่รู้ผลของการเกิดว่าเป็นอย่างไรเลยเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วันต้องตายซึ่งเป็นความทุกข์อย่างยิ่งไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายแต่ก็ยังอยากมาเกิดกันย ทั่นก็แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญญามองไม่เห็นเหตุกับผลเหตุก็คือการเกิดผลก็คือความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่พวเราต้องพบกันทุกครั้งที่เรามาเกิดแต่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหัาานต์ี่ท่านเห็นด้วยปัญญาว่าเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย เป็นความทุกข์ท่านก็นเลยแสวงหาวิธีที่จะทาให้ท่านไม่ต้องกลับมาเกยกันพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลแรกที่ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันด้วยการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำความรู้นี้ไปเผยแพ่สั่งสอนให้แก่ผู่น ผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อเรื่มใสก็น้อมนำมาไปปฏิบัติจนในที่สุดก็ได้พบกับวันที่ไม่เกิดคือการเิ้นสุดของกิเลส ต, ตัณหาโดยที่เป็นผู้ผักดันให้จิตมากัดอยู่เรื่อยๆนั่นเองทันก็เลยหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงและอย่างถาวร ไม่ต้องกลับเมื่อเกิดก็ไม่ต้องมากักษมาเจ็บมาตายอีกต่อไปอันนี้คือวันวันไม่เกิดของพระพุทธเจ้าและของพระอาจารยนตั า, าวกราบขอบพระคุณาอาจารย์ครัอบอาจารย์ให้พรผมตั้งแต่ต้นรายการเลยครัไม่มาเกิดเป็นครั้งสุดท้ายครับนั่นและดีที่สุด ทีนี่แหะคือเป้าหมายที่แท้จริงถ้าถามว่ามาเกิดทําไมมาเกิดเพื่อยุติการเกิดอยากํามมาเกิดติกต่อไปเลยเพราะว่าการมาเกิดแต่ละขั้นก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลาดจากกันอย่างที่เราทุกข์กันขณะนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิดของเราเองถ้าไม่มาเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตาย พรตะญาติยังตัดทรงตัดมว่าทุกย่อมไม่เีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นดาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่แต่ไม่จะจะเกิดดีขนาดไหนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอนานาธิปดีเป็นมหาเศรษฐีก็หนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายอยู่ดีและเงินทองอำนาจที่ได้จะเป็น ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ร่ำผรวยก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้ได้นี่ก็คือเรื่องของชีวิตของพวกเราถ้าถามว่ามาเกิดทําไมถ้ามาศึกษาธรรมะของท่านแล้วก็่าเกิดเพื่อมนุษย์ติกันการเกิดขอให้การเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย แจะได้กลับมาเกิดอีกต่อไปเลยไม่ว่าจะไปเกิดนที่ไหนไม่ก็ต้องเสื่อมเกิดไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นพร ม, มันก็ต้องเสื่อมแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นคนรุ่นต่อไปแล้วก็ต้องมาแก่มาเจิบมาตายมาสร้างเวทสร้างกรรกันต่อไปไม่รู้จักจบจักสิน้นความทุกข์ที่พวกเราได้ผ่านจากการระพบความแก่ความเจ็บความทายนี้ จะรู้ว่ามากบายขนาดไหนพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเอาน้ําตาที่เราล้อมกันหลังกันๆๆในแต่ละครั้งที่เรามีความทุกข์นี้ของแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยน้ําตาของพวกเรานี้ที่เราได้นรำกันมาแล้วเนี้ยมันมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรไปดูที่ปรมาณน้ําในมาหาสมุทรนี้ขนาดไหน แต่น้ำตาของพวกเราที่เราหลังกันน่าจะหลัง่งเพียงกิเลสเทียน้อยแต่เมื่อมารวบรวมในของแต่ละภูมิแต่ละชาติที่เราได้เกิดมาแล้วนี้มันมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่คือปริมาณของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ผ่านมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกจนกว่าเราจะได้ามาพบกับพระพุทธศาสนา ที่จะสอนใหเรารู้จักวิธียุติการมาเกิดนี้เท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้ยังไม่มีใครในโลกนี้สามารถจะสอนให้เรายุติการมาเกิดได้เลยต้องไปมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตารัสลงแล้วก็นำเอาความรู้นี้มาสอนใหแก่พวกเราเท่านั้นอย่างพวกเรานี้ถือว่าโชคดีมหาโชค ที่ได้มาเกิดในยุคที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้ซึ่งไม่ใช่เป็นองการที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี้ไม่ได้บาเพราะว่าเราจะพบกับพระพุทธศาสนาทุงครังไปเพราะพระพุทธศาสนาขอาแต่เลยพระพุทธเจ้านี้ก็มีอายุไขัยของเขา เช่นของศาสนาผู้ที่เราเคารพนับถือกันนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งประมาณไว้ว่าประมาณห้าพันปีด้วยกันก็จะสิ้นสุดลนตอนนี้ก็มาอยู่กึ่งทางแล้วเลยครึ่งทางมาหน่อยกิ่งพุทธกาลก็สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ผ่านมาหกสิบสี่ปีผ่านกิ่งพุทธกาลเหลืออีกสองพันกว่าปี ศา ส, สนานี้ก็จะสูญสูญหายไปจากโลกนี้ที่สูญหายก็เพราะว่าไม่มีใครสนใจศึกษาและปฏิบัติจึงไม่มีใครเข้าใจและไม่มีใครสนใจก็ถือว่าผู้ที่จะมาเกิดต่อไปในภายภาคหน้าหลังจากที่ศาสนานได้เสือเ่อมหมดไปแล้วนี้ ก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะดูว่าวิธีการยุติการเกิดแก่เจ็บตายของตอนนี้จะทําได้อย่างไรต้องรอไปอีกไม่รู้อีนานเท่าไหร่จนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัสรู้แล้วมาเผยแผ่ธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าก็ท่งไปยากรว่าจะมีพระสีอานหรือพระสีอริยเมตไตร ที่จะแป่ง น, นักพุทรลุบพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะมาตัดสรู้และนำเอาธรรมที่สรงตัดสรูน้นี้มาเผยแผ่ให้แก่สรรโลกอีกครั้งหนึ่งแต่การที่เราจะไปรอพระสิยานี้เป็นการคิดที่ไม่ฉลาดเป็นการคิดที่ไม่รอบคอบนะเป็นความคิดที่โง่เพราะความเพราะว่า คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้สอนเหมือนกันจะอยากไปคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนี้จะวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เหมือนกันความสามารถความรู้ที่จะพาให้เราได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้เหมือนกันทุกๆองค์ซึ่งมีอยู่สามหัวเข่าใหญ่ๆไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดมาตัศนุ มาสอนทำนะก็จะสอนสามข้อใหญ่ๆนี้คือหนึ่ให้ละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้ากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามทำร่ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ซึ่งก็แปลว่าแปลว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญานี้การสร้างบุญสร้างกุศลก็คือการการทําทานนีการละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงก็คือการ ไม่กระทําการรักษาสีตา่างๆและการชำระใจให้สะายก็ต้องชำระด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญาถึงจสามารถชำระต้นเหตุที่พาให้จิตใจพามาเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดได้ก็คือทันหาทั้งสามในแต่าการมาทันหาความอยากในรูปเสียงกิ่นั์ต่างๆสอง ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นสามวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่จะถูกกำจัดได้ด้วยพลังของสมาธิและปัญญาทั้งด น, น, นี้ก็คืออย่างนั้นตอนนี้เราได้โอากาสอ่นเล่าอันรเริดนะ้ำอย่าไปผัดรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะยังยาวไกล ย, ยังยาวนานมาก แล้วม่รว่าเราจะได้มาเกิดในยุคที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์หรืไม่เราอาจะไปติดอยู่พวกอื่นก็ได้และอย่างหนึ่งถ้าเราผัดไปข้างหน้าเราเจอว่าพุทธเจ้าองค์ต่อไปเราก็จะผัดไปอีกเหมือนกันเพราะมันเป็นนิสัยเคยผัดมานะมันก็จะผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจอองค์ต่อไปก็บอกเดี๋ยวผัดของรออีกองค์ในซอก็เสรเพราะการปฏิบัตินี้มันยากมันถวนกระแส ข, ของความรู้สึกของ ของจิตที่ยังอยู่ภายใต้อํานาจของตัณหาความอยากอยู่ดงนั้นเราต้องใช้สติใช้ปัญญาสอนเราว่าไม่มีเวลาใดที่จะดีเท่ากับเวลานี้แล้วแล้วก็ถ้าเราไม่ทํานี้เราก็จะไม่ทําไปไเรื่อยๆเพราะคราวต่อไปเราก็จะเราก็จะเลื่อนไปไเรื่อยๆพัฒนประการพุ่งไปไเรนะื่อยๆจนไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้รื เบรคความคิดเหล่านี้การผัดวันประกรันพรุงเสียแล้วก็บอกว่าต้องเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เพราะถ้าเริ่มทําแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าสามารถสําเร็จได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแล้ว น, นี้ก็เอาธรรมะเรื่องของวันเกิดมาฝาให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อนําออกไปพิจารณาต่อไป มีคำถามอะไรไหมเชินครับขอบคุณพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมขอถามคำถามจากเพื่อนๆ น, นะครับจากคุณสุกัญญาครับผมในบทธรรมจักรกับปวัฒนสูตรสามรอบสิบออาการหมายความว่าอะไรคะอาจารย์ครับี้เราความจริงเราก็ไม่ได้ศึกษาละเอยียดที่ขะดานั้นเราศึกษาเพียงพอรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าสงสอนนี้สอนอะไรในธรรมจกัก ก็สงสอนมังแปสอนริยสัจสีที่การแสดงธรรมของพระองค์อาจจะมีความละเอียดเจาะลึกลงไปในแต่ละอาการในแต่ละเรื่องก็เลยอาจจะมีสามรอบศึกษออาการก็ได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปอ่านรายละเอียดในพระสูตรด้วยว่าถึงจะรู้แต่ถ้าสรุปโดยรวมแล้ว เขาให้เราเข้าใจว่าพระสูตรที่สอนมรรคแดคือวิถีทางสู่การสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดและก็อริยสัจสี่ก็เป็นอริยสัจที่ศัสตร์จทที่ครอบมรรคแปดไว้อีกทีหนึ่งมรรคแดนี่เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจสี่คือ อริยสัจสี่มีสี่ประการคือทุกสมุทัยนิโรธนิมกมักแปดนี้ก็อยู่ในมักนักเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะหยุดการเกิดหยุดเหตุที่ทําให้เกิดก็คือตัณหาความอยากส่วนผลของตัณหาความอยากก็คือความทุกข์ส่วนผลผลของมักก็คือนิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์ อันนี้ก็ขอให้เข้าใจแค่นี้ก็พอแล้วก็ศึกษารยายละเอียดว่ามั่งแปดมีอะไรบ้างแล้วต้องปฏิบัติอะไรบ้างอันนี้คําถามจากคุณจีลศักดิ์ครับาการละความสงบออกจากใจที่ว่าวิปัสสนาญาหรือปัญญายาคือให้เราใช้ปัญญาไม่ยึดไม่ติดความสงบใช่ไหมครับให้คิดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับคือความสงบนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องมีมันเป็นเหมือนกับเป็นอาหารของใจเป็นที่อยู่ของใจเป็นปัจจัยสี่ของใจถ้าใจไม่มีความสงบนีใจจะไม่มีความสมุขต่อให้ได้เงินเท่ามามากน้อยเพีาายงไรก็ตามเราให้ได้ตําแหน่งใหญ่โตขนาดไหนก็ตามถ้าใจไม่สงบนีมันไม่สมันไม่มีความสมุข มนสุกก็สุกเนื้อเดียวเยวท่านั้นเองฉันไม่ทราบว่าคนไปได้ยินได้ฟังเรื่องวิปัสสนาญาณกับการมามางับการไม่ติดความสมองนี้มันไม่ใช่หรอกวิปัสสนาญาณ น, นี้มีไว้เพื่อเราเห็นใยละให้เห็นว่าสิ่ง ต, ต่างๆที่ตีเลตัญหาต้องการนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นใจละ แต่เราละสิ่งต่างๆที่กินเลสตถหาต้องการเช่นลาบยนสารสนสน์ศุขคือศุขที่ได้จากการเสกการมเพื่อเสกเบิกเสียงจิตรอดพุทธะเพราะว่าสิ่งอันนี้เป็นกดอยู่ภายใต้กฎสงฆ์ตายลักคือไม่เที่ยมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสือ่อมเวลาเสื่อมื่อเวลาดับก็จะทําให้ทุกข์ใจ ถ้าไยากจะทุกขใจก็ให้พิจรารณาอยู่อย่าเดยวว่าราบยศสารเสรินสุดนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นอนัต้ตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เมื่อเราอยากจะให้มันเที่ยมแล้วมันไม่เที่ยมมันก็จะทําให้เราทุกข์ขึ้นมานี่คือวิปัสสนาญาณมีไว้เพื่อรัรบกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจ เพื่อที่เวลาที่เราได้ชาระ ก, กิเลสทันหาหมดไปจากใจแล้วจิตจะได้สงบย อ, อย่างถาวรไปเงินไม่ทราเข้าไม่ทราบว่าพูดอย่างนี้จะเข้าใจไหมขออีกที่ว่าคำถามที่ถามมาึกจะค่อนข้างจะสับส น, นคำถามจากคุณพีชครับกับเรียนถามพระอาจารย์คานเป็นสองข้อนะครับรอาจารย์ข้อที่หนึ่งถ้ามีเวลาปฏิบัติธรรมที่วัด เพียงสามถึงสี่วันจะได้ประโยชน์จากการอดอาหารไหมคะมีเพราะว่าการอดอาหารนี่มันก็จะเป็นหมือนกับตับให้เราขึ้นบนเวทีทันทีถ้าเป็นนักชกมวยนักชกก็ต้องขึ้นเวทีทันทีถ้าเราไม่อดก็เราก็ยังไ ม, ไม่ได้ขึ้นเวทีเพราะอะไรเพราะว่าการอดนี่มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจทันที เอาเมื่ออดน้ำมันก็จะเกิดตัาหาความอยากกินขึ้นมาอยากรับประทานขึ้นมาซึ่งเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้นะก็ต้องสู้กับตัาหาความอยากที่เป็นสมุนทายนี่แหละที่สร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการเจริญสติสมาธิและปัญญาอย่างใดอย่างหนึง่งนะเพื่อมารลักษ์ความอยากเหล่านี้ให้ลงไปได้ ความอยากที่ถูกระ ง, งับด้วยสติปัญญาลงได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็สมบดุลความทุกข์ใจก็หายไปถึงแม้ร่างกายจะไม่ได้รับปัะาหาแต่ความหิวส่วนใหญ่นี้มันเกิดจากความอยากของใจพอความอยากของใจถูกระ ง, งับลงความหิวก้าสิบเอร์เซนก็หายไปเหลือความหิวที่เป็นของร่างกายเพียงสอร์ ซึ่งไม่มีผลอะไรต่อจิตใจแตอย่างใดอันนี้จะทำให้จิตใจนี่อยู่ในความหิวการอดอาหารได้อันนี้ถ้าไม่อดอาหารปับ๊บมันยังไม่มีอะไรมากระตุ้นห้ใจเจริญสติเพราะยังอิ่มยังสบายอยู่ไม่มีความทุกข์ก็อาจจะคิดถึงหาหาหมอนนอนซะมากกว่าขอพักขอพักสักครู่ก่อน ยนอึด อ, อ, อสึกงว่วงน้่ก็จะหลับเดินก็ไม่ไหวอันนี้แหละันไม่ว่าจะอดกี่วันก็ตามมันมันดีทั้งนั้นนะขอให้ได้อดเถอะคำถามข้อที่สองครับอายุหกสิบกว่าหนักสามสิบห้ากิโลควรจะอดอาหารไหมคะคือมันมันไม่ได้อยู่ที่อายุอยู่ที่น้ำหนักมันอยู่ที่ว่าจิตเรา จะทำได้หรือไม่บางท่านก็ทำไม่ได้บางท่านก็ทำได้ถ้าบางท่านไม่ทำไม่ได้ก็ใช้วิธีอดนี้เป็นบายในการสนับสนุนการปฏิบัติไม่ได้กนะ็อาจจะต้องใช้วิธีอื่เช่นอาจจะต้องเดินนานๆเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงอย่างนี้แทนเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดวางเพีย กิการเจริญสติให้จิตสามารถที่จะเข้าสู่สมาธิได้แต่ละอุบายอาจจะไม่ถูกกับทุกท่านท่านอาจจะไม่ถูกกับอดอาหารแต่ถูกกับการอดนอนก็ได้ถ้าอดอาหารไม่ได้บางท่านก็ใช้วิธีอดนอนคือจะถือสามิรยาบทเดินยืนกับน้ำจะไม่เองหลัง ถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในอิเลยียบ ท, ทั้งสานี้อันใดอันหนึ่งเพื่อจะได้หลับไม่นานเป้าหมายของการเชอในสัตวชิตคือการไม่เอนหลังนอนนี้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาให้กับการนอนมากเกินไปถ้านอนในถ้าหลับมันก็นอนได้ไม่นานเหมือนเันก็ตื่นขึ้นมาก็จะได้ปฏิบัติต่อได้ ท, ทันทีอันนี้ก็แล้วแต่อุบายของแต่ละคน ที่จะใช้บางท่านก็อาจจะหาที่น่ากลัวไปปฏิบัติเช่นในป่าชาเในป่าช้ามันก็มีสิ่งที่ทาให้เราเกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมาซึ่งก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง่งความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวก็คือความอยากไม่ตายนั่นเองอยากไม่ถูกทำลาย ม, มันก็เป็นก็เป็นสมุทัยที่ผลิตความทุกข์ มันก็ะจะไปกระตุ้นให้เราจะต้องเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อที่จะมาสู้กับความกลัวนี้ให้ได้ทําใจให้สงบให้ได้เพราะถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้ความทุกข์ความกลัวก็จะหายไปอันนี้ก็เป็นมาตรการตา่างๆที่จะมากระตุ้นของการปฏิบัติของเราคือกระตุ้นมากนี้เอคือสติสมาธิปัญญา พรถ้าเราอยู่อย่างสบายๆยอยู่ที่ปลอดภัยมันก็จะไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นที่จะต้องเจริญสติหรือนั่งสมาธิหรื่องปัญญานักปฏิบัติจึงต้องอาศัยอุบายต่างๆเพื่อมากระตุ้นการปฏิบัติให้มันมีความเข้มข้นขึ้นถ้าปฏิบัติแบบสบายๆอยู่ที่สบายๆกินสบายนอนสบาย มันปฏิบัติได้นิดเดียวมันหมดกำลังมันแพ้ความง่วงความอยากจะนอนเ น, น่แต่ถ้าไปอยู่ที่มันน่าโกรแล้วอดอาหารนี่หรือเดินนานๆ น, น, น, น, น, น, น, น, นั่งนานๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดมีอาการทุกข์แล้วมันก็จะทำให้มีสติสตั้ขึ้นมาอันนั้นก็ต้องพิจารณาเองก็แล้วกันว่า จะอดได้หรือไม่ได้อย่างไรเ้าทาลองดูเอาวันหนึ่งก่อนลออดวันหนึ่งก่อนดูซิว่ามันเป็นยังไงดีไม่ถูกเจลิกกันเราเนถ้าดีก็ลองสองวันสามวันก็ได้แล้วพอที่ว่าควรจะหยุดแล้วก็กลับม า, ารับประทานาก็กลับมาสลับกันไปก็ได้ครับคำถามจากคุณเปตองทีวีครับ การที่พระทําน้ำมนต์หรือลดน้ํามนต์เป็นเดรชานวิชาไหมครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าเดรชานวิช า, ชานี้มันครอบคลุมไปถึงไหนกันเพราะว่าพระตั้งแต่สังฆราชลงมาท่านก็ยังาํ า, างน้ํามนต์อยู่นี่มันก็มันเป็นเรื่องเป็นอาจจะเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราในปัจจุบันนี้แด้เพียงใที่ที่ต้องการรับสิ่งที่เป็นสิ่งมีมงคลจากพระ ก็คิดว่าอยู่ในน้ําหมดนี่น่าได้ก็เลยปฏิเสธไม่ได้เพราะมันเป็นความเชื่อที่ได้มีการประสานกันมาจนกลายเป็นธรรมเนียมกลายเป็นส่วนหนึ่งพุทธศาสนาไปแล้วซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงนะมันก็เป็นเพียงแต่น้ํามันไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรน้ํามันไม่ได้สามารถมาทําให้คน คน ท, ที่เกียรติกลเป็นคนขยันได้คนจนกลายเป็นคนรวยได้ครับมันเป็นเป็นน้ําแต่หนึ่เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวพื้นเราแต่สาหรับชาวพุทธที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติก็จะไม่สนใจในเรื่องเหล่านี้ครับเพราะ ร, รู้ว่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่มาทําให้ความทุกข์ต่างๆที่มีในชาตินี้ลดน้อยถอยลงไปทั้ ผู้ปฏิบัตินี้เขาสนใจว่าอะไรที่ทําให้ความทุกข์มันน้อยลงไปเขาก็รู้ว่าสติปัญญานี่ศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยที่เป็นตัวที่จะทําให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงไปอ ย, อย่างอื่นนั้นมันมันไม่สามารถทําได้เช่นเครื่องรางของขังก็ไม่สามารถทําให้ความทุกข์ในใจของเราน้อยลงไปได้แต่มันก็ยังเป็นเรื่องของธรรมเนียมเป็น เป็นวัฒนธรรมของชาวผู้ชาวไทยเราทม า, า, ามาแกระทั่งพระต่างๆพระครูบาอ า, าจารย์ระดับไหนก็ตามบางีก็ยังต้องโอนอ่อนต่างเพราะมันไม่เสียหายแต่มันไม่ได้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองแต่มันก็เป็นก็มองเหมือนกับว่าเป็นาการให้กำลังใจกับผู้ที่ยังไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้ก็อาศัยสิ่งเล็ก น้อยๆแบบนี้เป็นเครื่องให้กำลังใจเราไปก่อนให้เป็นเครื่องยืดอย่างจิตใจของเรไปก่อนถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายหอะไรครับจากคุณอินวอนครับขอเรียนถามพระอาจารย์การบรรลุเป็นขั้นอริยบุคคลเป็นสิ่งที่ยากถ้าผมจะสะสมบุญด้วยการช่วยเหลือคนให้ถึงขั้นพระโพธิสัตว์สามารถทําได้ง่ายไหมครับคือเราไม่รู้ว่าคนไหนจะไปเป็นพระโพธิสัตว์ ใช่ไหมอนอย่างหนึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะมาสาะสมบุญเพื่อไปสสนับสนุนให้คนอื่นไปเป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์หน้าที่ของเราคือสะสมบุญให้เราได้เป็นพระอาหารหันต์กันะฉนั้นเราควรอย่าหลงประเด็นประเด็นของเราก็คือเราต้องมาสะสมบุญที่จะทําให้เรานี้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งเท่ากับพระโพ ธ, ธิสัตว์เนี่ย พโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพาาระอรหันต์ก็เป็นผู้ที่ได้เรียนเรียนต่อจากพระพุทธเจ้าได้ความรู้ระดับเดียวกันมันรลุถึงธรรมขั้นเดียวกันคือพระนิพพานเหมืนอนกันงานหน้าที่ของเราก็คือสร้างบุญสร้างกุศลให้เราได้บรรลุถึงพระนิพพานกันด้วยการกระทําตามคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนเนี่แหละก็คือ สร้างบุญสร้างกุศลรากบาตแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยทำบุญแบบนี้จะทำบุญกับใครก็ได้จะให้กับใครก็ได้เส้นเราถ้าเราเป็นชาวพุทธโลกชนเราก็ต้องการสนับสนุนภาพทั้งหลายซึ่เราคิดว่าน่าจะเป็นภาพโพธิสัตว์นะภาพที่มาบวชผู้ที่มาบวชนี่แหละเป็นผู้ที่กำลังสะสมบุญเพื่อที่จะได้เป็นพระอาราหารพระพุทธเจ้า เช่นเราก็ทำบุญกับพระศาสนาเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานหรือสวายของใช้จำเป็นต่างๆของวัดวางนามกุฏิอะไร้ากไปถ้าเรามีทรัพย์สมบัติที่เกินต่อความจำเป็นในการดำรงชีพเราก็เอาไปเสียสะละทำบุญไปแล้วเราก็รักษาศีลแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมกัน ฝึกนั่งสมาธิเจริญปัญญาพยายามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นใจลับเรวก็จะสามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้ในชาตินี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถมาเผยแผ่คําสอนนี้ให้แก่ผู้ช่วยผู้อื่นี้ได้ปฏิบัติไปถึงพระนิพพานต่อไปอีกนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้กระทํำมา ตั้งแต่สายหลวงปู่มั่นมากาหลวงปู่มั่นมาท่านก็ออกบวชศึกษาปฏิบัติธรรมจ น, น, ารา น, นรบรร ล, ลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็สอนบรรดาครูบาลูกศิษย์ลูกค้าที่ไปศึกษากับท่านจนลูกศิษย์ลูกคานั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารกันตามมาครูบาดำาำที่เราได้ยินทางสายปฏิบัติก็มาจากท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นฉะนั้นหลวงปู่แวน๋นหลวงปู่เท้าน้วงปู่ฟัน ในตงนี้แล้วท่านก็มาทำหน้าที่เผยแผล่สัมสอนมาให้กับรุ่นต่อไปทำอย่างนี้แหละเป็นวิธีที่จะทำให้เราและผู้อื่นี่ได้ไปถึงพระนิพพานกันคำถามจากคุณฟิงเกอร์สไตล์ไทยครับกาสตราการการะอาจารย์ครับศีล ส, สมาธิปัญญากับทานศีลภาวนาแตกต่างกันอย่างไรครับ ไม่ต่างกันหรอคือศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเวลาที่ต้องทะเล่าส่งสอนพระภิกษุผู้ที่นักบวชทั้งหลายนักบวชนี้เขาทําทานไปหมดแล้วเขาเขาเหมือนกับเขาถ้าเป็นนักเรียนก็เขาพ้นจากขั้นอนุบาลแนละ้วเขาอยู่ในระดับปถมระดับมัธยมระดับอุดมศึกษาแนละ้วก็เลยไม่ได้สอนหลักอลักสูตรของชั้นอนุบาล แต่สำหรับกาละวาคู่กองเองเนินนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ชั้นอนุบาลก็เลยต้องสอนให้ทําทานก่อนเมื่อทําทานแล้วก็รักษาสีแล้วก็ภาวนาภาวน า, า, ว น, านี้ก็คือการเจริญสมาธิและปัญญานี่แต่ว่าถ้าที่จะ ใ, ใช้คำว่าสมาธิปัญญาท่านจะใช้คําว่าภาวนาแทนแบ่งเป็นสองระดับสมสถาภาวนาก็คือการเจริญสมาธิ ิปั ส, สนาภาวนาก็คือการจเจริญปัญญานี่ยิ่งน ส, สมาทิปัญญานี้สำหรับพระภิกษุพิกษุณีหรือนักบวชแม่ชีสมเยส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนี่ยังมีเงินมีทางเหลืออยู่ก็ต้องทาให้หมดถึงจะไปเป็นนักบวชได้เพเวลาไปบวชนี่ก็ต้องสละหมดนักบวชนี้คนที่มาบวชนี่มีค่าของเงินทําเท่าไหร่ก็ยกให้ผู้อืน่น มาแต่โตเปล่าๆเพื่อมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแต่ขณะที่เป็นผู้ครองเงินอยู่ยังต้องใช้เงนินต้องหาเงินอยู่ก็ยังมีการสะสมเงินทองอยู่ก็ต้องพยายามลาดละการสะสมเงินทองนี้ให้น้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทัง่งไม่มีเลยพอไม่มีเงินเลยก็จะได้ไปบวชได้เพราะไม่มีเงินแล้วจะทําอะไรอยู่เป็นคารว่ะก็ อ, อยู่ไม่ได้ ก็บวญถ้าบุญแล้วก็อยู่ได้เพราะว่ามีคนเลี้ยงดูให้มีคนสนับสนุนทางด้านปัจจัยสีคนั่นคความแตกต่างระหว่างศีลสมาธิปัญญากับทานศีลภาวนาคำถามจากคุณธีรติครับเรียนถามอาจารย์การไม่เกิดดีที่สุดแต่อีกมุมการเกิดเป็นมนุษย์ก็ทำให้เราได้พบพุทธศาสนาได้สร้างบุญกันเพื่อพบหน้าเกิดหรือไม่เกิดจะดีกว่ากันครับ มันก็ตองเจอพระพุทธศาสนาก่อนถึงจะไม่เกิดได้ถ้ายังไม่เจอพระพุทธศาสนามันก็จะเกิดไปเรื่อยๆอย่างที่เราเกิดกันมาอย่างเนี้ยพอุนี้ไม่ใช่เป็นพรุ่งเดียวนะที่เรามาเกิดเนี่ยอาจจะเป็นระดับที่ห้าแสนล้านพงนี้ก็ได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เรายุติการเกิดกัน การได้พบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยดีที่สุดว่าเราจะได้ยุติการเกิดได้ถ้ายังไม่ได้มาพบกับพระุทธศาสนาเราก็จะเกิดไปเรื่อยๆถึงแม้เราจะอยากไม่เกิดก็าตามแต่เราก็หยุดการเกิดไม่ได้เพราะเราไม่รู้วิธีที่จะทําให้การเกิดนี้หยุดได้อย่างไรคําถามจากคุณธรรมดาครับคําว่าณมะพระทะใช้เป็นคําบริกรรมได้ไหมคะได้ ทำไหนก็ได้พุทโทก็ได้ทำโมก็ได้สัมโค ก, ก็ได้ทิพเทวสารังปฐมี้ก็ได้น้า แ, แต่เราชอบคำไหนก็ใช้ได้ครับำถานจากคุณชาววินครับในโลกทิพมีพ่อแม่พี่น้องมีเพื่อนไหมครับในโลกทิพมีแต่ดวงจิตดวงวิญญาณแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดในดวงจิตดวงวิญญาณนี้มีเป็นเรื่องเป็นราเพราะมันเป็นโลกของความฝัน ในเวลาที่เรานอนหลับนี้จิตของเราก็ออกไปอยู่ในโลกทิพย์ชั่วคราวเพราะตอนที่ร่างกายหลับร่างกายไม่สามารถที่จะให้เราได้สัมผัสกับเรื่องเสียงกลิก่นัสต่างๆได้จิตก็เลยไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่น้นที่มีสะสมไวในความจําของจิตแต่ละดวงนี่จิตก็จะเอาความจําที่ได้สะสมไว้นี่มาผสมผูดแต่งมาแต่งเป็นเรื่องเวลา ขึ้นมาในเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับฝันเวลาเราฝันมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมีพ่อมีแม่มีพี่มีนอ้องมีเพื่อนมีสัตรูมีอะไรแล้วแต่จิตเราจะสรรหามาปูแตกให้เราได้สัมผัสนัแหละเวลาเราตายไปมันก็จะเอาเรื่องราวนี้มาปูแตกสัมผัสไปเรื่อยๆถ้าเป็นเรื่องของบุญที่เราทำสะสมไว้มันก็จะเอาเรื่องที่ดีเรื่องที่มีความสุขมามา มามาปลูกแต่ให้เราได้สัมผัสถ้าเราไปทำบาปทำกรรมไปสร้างเรื่องที่ไม่ดีมันก็จะเอาเรื่องที่ไม่ดีมาปลูกแต่งมาให้เราได้สัมผัสในขณะที่เราอยู่ในโลกทิพย์คำถามจากคุณเปตองครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ครับเราสามารถเตือนวงเล็บไม่ได้ด่าพระที่ทำไม่ดีได้ไหมครับเช่นถ้าเห็นพระดื่มสซลาก็เตือนพระว่าอย่าดื่มเลยมันไม่ดีอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ คือจะเตือนไทยกันได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเขาจะฟังเรามัยย้ยงั้นการเตือนคนนีก็ต้องดูว่าเตือนแล้วได้ผลอย่างไรเตือนแล้วทําให้เขากลับมาด่าเรากลับนี่มันก็ช่วยอยากไปเตือนเขาดีกว่าไปเตือนเขาแล้วก็รับมือว่าตัวเองเป็นยังไงเรือ่องการว่าการตักเตือนนี้ทำํำได้แต่ต้องอยู่ใน การล่าเทสะอยู่ในความในนิพนิดว่าทำแล้วเกิดประโยชน์หรือไ ม, ไม่ถ้าเกิดความเสียหายก็อย่าไปเตินดนอีกค่าคคำถามจากคุณจ็กเกอร์ครับกราฟเลียนถามปอาจย์ครับอยากไปบวชที่วัดยานแต่ถามแม่แล้วแม่บอกยังไม่ให้ไปให้รอแม่ไปก่อนอย่างนี้เราควรปฏิบัติที่บ้านก่อนใช่ไหมครับถ้าเรายังไม่มาบวชเราก็ยังปฏิบัติที่บ้านได้ ก็แล้วแต่ถ้าอยากจะบวชจริงๆก็ให้ช่างมาฉุดมันก็ไม่อยู่อย่างในเรื่องในสมัยพระพุทธการก็มีชายคนหนึ่งเป็นลูกของเศรษฐีอยากจะบวชแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้บวชชายคนนั้นเลยตัดสินใจถ้าไม่ได้บวชก็จะไม่กินอาหารบวชอาหารไป ภาวนาไปหน้าหลายวันพ่อแม่ก็รู้วิตกกลัวเดี๋ยวลูกจะต้องตายคุณต้นทําไมหาเพื่อนของลูกๆให้มากอบให้เปลี่ยนใจกอบยังไก็ไม่อยอมถ้าไปตายถ้าไม่ได้บวชก็ขอตายในที่สุดพ่อแม่ก็เลยต้องยอมให้ให้ไปบวชนั่นมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราความอยากบวชของเราที่มีมากน้อยเพียงไรถ้าเราอยากบวชจริงๆ เราก็ถ้าเราเห็นว่าแม่ยังอยู่ของแม่ได้เอเื่อเราก็ไปก็ได้นะไในเวลาเวลาที่แม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆก็เราก็ค่อยหาวิธีกันอีกทีว่าจะเอาอยัางไงดีพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระนี้เลี้ยงพ่อเลงแม่ได้เป็นธบัตนี้สามารถเอาอาหารที่ได้อย่างเป็นธบาตนี้มาแบ่งให้พ่อให้แม่ได้ ครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็เอาแม่ไปบวชอยู่ที่วัดเลยอย่างน้องตาหมาบัวท่านก็าแม่ของท่านไปบวชเป็นแม่ชีอยู่ในวัดยันเรื่องการเลี้ดูพ่อแม่นี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการบวชถ้าต้องการจะบวชจริงๆคุณมารไม่มีบารมีไม่เกิดถามพระอาจารย์ว่าสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันได้บุญไหมคะค คือบุญที่เกิดจากการส่วนบุญนักสมาธินี่อยู่ที่ว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลถ้ายังไม่ได้ผลจิต ย, ยังไม่สงบมันก็ยังไม่ได้บุญไมะว่าได้บุญไม่ได้บุญในส่วนที่เป็นการเจริญเหตุที่จะทําทให้เกิดผลก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้แต่ปลูกต้นไม้วันนี้ไม่ได้ทําให้เกิดผ ล, ลไม้ออกมาทันทีแต่ถ้าไม่ปลูกเลยก็จะไม่มีวันที่ยังมีผ ล, ลไม้เลย งั้นการเจริญสมาธินี้ก็เป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้ายังไม่ได้ผลถ้าจิตยังไม่สงบก็ถือว่ายังยังไม่ได้ออกดอกออกผลเป็นการปลูกต้นไม้แล้วก็เลี้ยงดูต้นไม้ลดลดลด้ามผลยิงให้กับต้นไม้ไปก่อนจนกว่าวันหนึ่งต้นไม้พร้อมที่จะออกดอกผลขึ้นมาวันนั้นเราถึงจะเรียกว่าได้รผลจากการนั่งสมาธิ คำถามเจ้คุณเจเล็กครับกลาวธรรมทศกาณเจ้าขาขอเรียนถามว่าถ้าหากคนที่ตั้งใจถือศีลแปดตลอดชีวิตจําเป็นต้องบวชชีไหมเจ้าคะและมีความแตกต่างกันอย่างไรคะไม่จําเป็นหรอกคือการบวชชีนี้ก็เพื่อเป็นการเป็นการบวชเหมือนกับเป็นบวชพระและเนื่องจากพระวินัยไม่อนุญาตให้ผู้หญิงบวชเป็นพระภิกษุนี้ได้พราภิกษุนี้ได้ชุนหมดไปแล้ว ก็เลยใช้การบวชชีเป็นเป็นการแทนแทนการบวชภิกษณุณีซึ่งก็การบวชชีที่แท้จริงก็ต้องไปอยู่วัดเหมือนพระภิกษุนะแล้วก็ปฏิบัติข้อวัดต่างๆเหมือนกับพระภิกษุแต่ว่าไม่มีศีลส0 0รอข้อมมารักษาให้รักษาเพียงศีลแปข้อหรือ1ิข้อก็ได้ ส่วนผู้ที่จะถือศีลตลอดชีวิตนี้ก็แล้วแต่ว่าจะถือศีลแปดแล้วอยู่ในสภาพไหนยังอยากจะอยู่เป็นฆร า, าวาอยู่ก็ได้เพราะไม่ได้ห้ามไม่ให้ถือศีแาลแปดฆราวานก็ถือศีลแปดก็ได้ถือศีลห้าก็ได้อยู่บ้านก็ได้ไปอยู่วัดก็ได้เราท่านก็ถือศีลแปดแต่ไม่ก่อชีสระเพยง่ไปนุ่มยำหงา ค่ะแล้วก็ถือศีลแปดเป็นอุบาสิกาก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของการละท่านว่าจะเหมาะสมกับในรูปแบบไหนก็ทําได้เป้าหมายของการถือศีลแปนี้ไม่ใช่เพียงแต่ให้ถือศีลแปดเท่านั้นการถือศีลแปเนี่องเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราได้ปฏิบัติธรรมให้เราได้เจริญสติสมาธิปัญญาอันนี้ถ้าหากเป็น ประเด็นที่เราจะต้องเข้าใจนะไม่ใช่การถือสิ่งแปดอย่างเดียวแล้วจะพาให้เราไปนิพพานได้นะการถือสิ่งแปนี้เป็นเพียงการสนับสนุนให้เราได้สติได้เจริญสติสมาธิและปัญญาเพื่อที่จ ะ, ะทำให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำถามจากคุณบัวปลิ่มน้ำครับ เช้านี้ลุกขึ้นปฏิบัติธรรมปกติขณะที่จิตสงบเห็นความคิดความรู้สึกแยกออกจากจิตจิตที่สงบตั้งมั่นก็ส่วนหนึ่งความคิดความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งน้อมจิตนี้ก็ไม่เที่ยงทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แม้กายก็เช่นเดียวกันเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มีความเปลี่ยนแปล ง, ปงเป็นธรรมดามันรู้สึกชัดขึ้นค่ะและมีอีกคําถามไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคะขณะที่เราเพลินไปกับความคิดแล้วเรารู้กําหนดรู้ถึงความคิดนั้นก็จะเห็นอาการที่จิตไม่อยากที่จะละความคิดนั้นต้องใช้กําลังอย่างมาก ที่จะตัดมันอันนี้เรียกว่าทวนกระแสไหมคะกราบสาธทุกคะ่ะใช่ถ้าจิตเราคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องกาดที่จะหยุดมันเราก็ต้องหยุดด้วยสติเช่น ค, คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดีหรือใช้ปัญญาอนิยธรรมทุกขังนัตตาถ้าเรารู้จักใช้ปัญญาก็ใช้อริยธรรมทุกขังนัตตา ก็จะสามารถทําให้ความคิดที่ไม่ดีนั้นยับยับย้มห ย, ยุดได้การปฏิบัติทํานี้คือการทวนกระแสของจิตที่ไหลไปตามกระแสตามอํานาจของกิเลสตันหานี้นนเราต้องการที่จะย้อนย้อนกระแสหยุดกระแสในเพราะกระแสของกิเลสตันหานี้พาให้เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดเราต้องหยุดย้อนชวนกระแส ในการเจริญสติสมาธิและปัญญาคาถามจากคุณบุญชูครับเตือนถามพระอาจารย์ครับควรวางใจอย่างไรให้ผ่านเวทนาความเจ็บจากการนั่งสมาธิไปได้ครับผมนั่งก็สงบดีแต่พอผ่านไปชั่วโมงกว่าเริ่มมีเวทนามากวนจนต้องยอมออกจากสมาธิขอบคุณครับการทำใจใเฉยเนี่ยเวลาอการความเจ็บขึ้นมาเาทำใจใเฉยๆอยู่กับมันอยู่กับมันไป แต่มันไม่อยอมใช่มันอยากจะลูกก็ใช้คำบาลีคำพุทโธพุทโธดึงมันเอาไว้อย่อยาเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปพุทโธพุทโธทำพุทโธพุทโธไปสวนอิติปิโสไปทำอะไรก็ได้เพื่อให้ใจเราอยู่เฉยเฉให้ได้คำถามจากคุณนัทนานครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดๆสุดท้ายเวลาตายไปแล้วต้องไปที่เดียวกันหรือเปล่าคะ ไปที่เดียวกันแต่มีหลายหลายจุดด้วยกันคือไปสวรรค์ก็มีไปนรกก็มีไปเกิดเป็นในลนชานก็นมีไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มีอันนี้เป็นล่าแต่บุญแต่บาป ท, ที่แต่ละคนได้ทําสะสมกันไหมจะเป็นผู้ที่จะชี้หรือนาพาจิตของแต่ละดวงไปตามจุดต่างๆจากคุณวรนุชครับขออนุญาตถามค่ะว่าเมืองรับแลมีจริงไหมคะ เราก็คงได้ยินเนี่ยนะะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของทางโลกเรื่องธรรมนิยายเ อ, อะไรมากกว่านะคำถามจากคุณเกียงครับพอดีตอนกลางคืนจะสวดมนต์เสร็จต้องกินยานอนหลับก่อนนั่งสมาธิพอนั่งไปแล้วบางทีพุโทโธหายแต่พอครบชั่วโมงเราก็รู้สึกตัวอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการหลับไปหรือว่าได้นั่งสมาธิควรทาอย่างไรดีคะคื อ, อย่าปกินญานอนหลับเนี่ย แต่กินยานอนหลับก็กินหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จได้ไม่กินกินยานอนหลักมันก็จะทําให้จิตไม่มีสติการนั่งสมาธิกั็จะนั่งหลับไปไม่ได้นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้จะรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าบอกว่ามารู้สึกตัวอีกทีนี่ก็แสดงว่าหลับไปแล้วถึงมารู้สึกตัวไม่ควรไม่ควรถ้าอยากจะนั่งสมาธิให้ได้คงแน้นอย่าเพิ่งไปกินยานอนหลับ ไม่ต้อไม่เสร็จก่อนแล้วค่อยปิญญานอนล่ะแต่ความจริงถ้าทั้งสมาธิได้เนี่ยเราไปไม่ต้องปินญานอนล่ะเพราะเราสามารถนอนสมาธิไปได้เลยนอนอยูลงไปทักครั้เดียวจิตนั้นไม่ชิดอะไรมันก็กควรต้องหลับไปแล้อย่างง่ายได้คําถามจากคุณจุฬาลักษ์ครับกาบเบียนถาหลวงพ่อการที่เราไม่กลับมาเกิดอีกนั้นหมายถึงเราต้องละทุกอย่างปัด ก, กิเลส ท, ทุกอย่างมีแต่ความว่างใช่ไหมเจ้าคะ ก็ตัดความอยากสามประการนี่ความอยากในรูองสีงกิ่นรสอยากกินทุเรียนอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ต้องตัดมันไปอยากมีอยากเป็นอยากสวยอยากงามอยากน้่อยากลวยก็ต้องตัดกันไปอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่อยากไม่ให้เขาว่าเราอยากไม่ให้เราตกทุกข์ได้ยากลำบากอยากไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากเหล่านี้ก็ต้องตัดไป มันเป็นเหตุที่จะพาให้จิตของทุกนทุลายแล้วดิน้นรนเพื่อไปเกิดใหม่หนีจากภพกนี้เช่นคนบางคนฆ่าตัวตายนี่ก็หนีจากหนีจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะทํ า, ทไไ า, า, า, า, า, าให้ความทุกข์นี้หมดไปได้ยังก็เะคิอว่าการฆ่าตัวตายนี่เนการทำให้ความทุกข์หมดไปมันไม่หมดหรอกมันก็เป็นการหรนีจากน่างกายนี้ไปแล้วมันก็จะไปเกิดไปหาหน่างกาย เพราะมันยังอยากจะหาความสุขจากร่างกายต่อไปอยู่นั่นเองดังต้องหยุดความอยากทั้งสามเหล่านี้ให้ได้การมารฐานาภวตัานาและวิปภาวะฐานาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาคํถาถามจี่คุณประกาศครับกลานมัสการพระอาจารย์เคยพิจารณาโครงกระดูกแล้วโครงกระดูกหายไปเหลือแต่ความว่างไม่ทราบว่าจะให้พิจารณาอะไรต่อไปครับ คือเราพิจารณาถ้าเราต้องการจะดูความประดุกแล้วก็พิจารณาใหม่สิถ้าเราหยุดพิจารณาก็หายไปพอมันหายไปเ้าก็พิจารณาใหม่ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้ควาระดุกเพื่อทำให้จิตเราว่างสมบุกเป็นสมาธิพอจิตเราว่างแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรให้มีสติรักษาความว่างไว้ให้เป็นว่างไปนานานะอันนี้เป็นเพียงระดับสมาธิ มระดับปัญญานี้เราต้องเห็นโครงกระดูกโดยเฉพาะเวลาที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเช่นเราเห็นใครรูปร่างหน้ า, นาตาสวยงามน่กหล่อเราเราเกิดความรักความคล้ขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นโครงกระดูกของบุคคลที่เรากาลังมีความรักใคร่ถ้าเราเห็นโครงกระดูกของเขาความรักใคร่ที่เรามีในตัวเขามันก็จะหายไป แล้วเราก็สามารถที่จะอยู่อย่างสงบได้โดยที่ไม่ต้องไปมีใครมาให้ความสุสขกับเราคํถาถามจากคุณตระยานีครับอยากกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าข่าว่าสวดมนต์เวลาตอนไหนหรือตอนที่เราว่างจากงานที่ทําอยู่เจ้าคะสวดได้ตลอดเวลาถ้าเราสวดภายในใจนะอยู่ที่ไหนก็สวดได้แต่ถ้าออกเสียงนี่มันต้องดูสถานที่ที่เหมาะสม ถ้าเราสวดไปในใจเรานี่เราสามารถสวดได้ตลอดเวละเป้าหมายของการสวดมนต์ภายในใจหรือคำว่าการบ ร, ริกรรมพุโทโธพุทธรี้เพื่อเป็นการหยุดความคิดต่างๆ ท, ที่มันทําให้จิตเราฟุ้งซ่านทําให้จิตเราวุ่นวายมีอารมณ์ต่างๆมาเราได้สวดมนต์ไปเรื่อยเรื่อเบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆ่นนอยจิตของเราก็จะว่างใจเย็นจะสบาย คำถามเจ้าจคุณว่าลังคนาครับก่อนจะเกิดเหตุร้ายกับตนเองจะฝันก่อนซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเลยเป็นอยู่หลายครั้งทําไมจึงเป็นเช่นนั้นได้เจ้าค่ะก็เป็นเพราะาเรามีตาทิพย์ก็ได้สามารถมองเห็นอนาคตได้แต่มันก็เท่านั้นมันก็ไม่สามารถไปย้ำยังสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็อย่าไปหลงไหลกับมันมากมเกินไปเพราะว่ามันไม่ได้เป็น ตัวที่จะมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ของเราที่เกิดจากการเรียนไม่ตายเคยิดคำถามจกคุณวัชรพรครับกลาวเรียนถามผู้อาจารย์ค่ะว่าแรงกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะกรรมแรงของกรรมก็คือทำให้ส่งผลดีผลไม่ดีกับเราเนเองถ้าเราทำกรรมดีมันก็จะส่งให้เราได้ไปสัมผันกับความสุขและสิ่งที่ดีต่าง ทางด้านาจิตใจนะั้นไม่ใช่ทํางร่างกายนนคนบางคนเข้าใจผิดว่าทําเงินแล้วจะร่ํารวยจะเจริญในลาบนุชสรรเสริญสุขอันนี้ไม่ใช่เจริญทางจิตใจจิตใจจะสมเพลินจากมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นพรหมใ น, นมีความสุขมากขึ้นนี่คือผลของนายของกรรมที่จะทําให้กับจิตใจของเราถ้าเป็นกรรมดีก็จะทำก็จะเป็นนายของความสุข ถ้าเป็นกรรมไม่ดีเป็นกรรมเป็นบาปก็จะเป็นแรงของความทุกข์ที่จะโหมกระหน่ำจิตใจของเราคําถามจากคุณจีรศักดิ์ครับขอถามอีกสองอย่างครับหลวงพ่อพลิกจิตเรื่องจิตหมายความว่ายังไงครับขอบคุณครับควาหมายถึงว่าให้พลิกจิตจากจิตที่วุ่นวายทุ่งซ่างให้เป็นจิตที่สงบหนึ่ง เวลาเรานั่งสมาธิบางทีจิตก็คิดฟุ้ไปฟุ้งมาคิดเรื่องด้วยเรื่องนี้ไม่มีความสิน้นใจถ้าเรามีสติสามารถที่จะควบคุมจิตให้หยุดคิดได้พวกจิตก็จะเพิกจากความฟุ้งซ่านรุนแรงมาเป็นจิตจิตที่สงบได้อันนี้ก็คงจะหมายความว่าอย่างนั้นให้เปลี่ยนจิตของเราด้วยการปฏิบัติสติสมาธิบางญยานี้ คุณสารหอมครับกากรรัมการครับเวลาจิตไม่สงบบริกรรมว่าพุทโธพุทโธเร็วถูกต้องไหมครับจะเร็วจะช้าก็ได้ขอให้มีที่ผลก็แล้วกันถ้าทําให้จิตสง บ, บได้ก็ได้ไดทั้งนั้นช้าก็ได้เร็วก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ว่าเราควรจะใช้เร็วหรือช้าถ้าใช้ช้าเราไม่สง บ, บก็จะท้ายมันเร็วขึ้นก็ได้แ ต, แต่ประเด็นสําคัญก็คือต้อง ต้องบริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสงบถ้ามันยังไม่สนบแล้วหยุดมันก็ใช้ไม่ได้เหมือน ก, กับการรับประทานยารับประทานไปเรื่อยๆจนกว่าไข้จะหายถ้าไข้ยังไม่หายก็ต้องรับประทานไปเรื่อยๆถ้าหยุดรับประทานแล้วไข้ยังไม่หายก็ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไในการรับประทานยาคําถามจะคุณนภาครับการเป็นถามคาถาอาคมมีจริงไหมคะ มีแต่ไม่ได้มีอยู่ในศาสนาไู่ใช่ไม่มีอยู่ในในในความลัทธิอื่นอะไต่าไม่รู้จะใช้ับพูดอะไรมีลัทธิคำสอนอื่นที่เขามีมีคาถาอาคมาต่างๆที่สามารถที่จะทำให้เกิดผลอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่ไม่ไม่มีในขพูดศาสนา พระพุทธศาสนาไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจเจ้าคุณแจ่มใจครับขออนุญาตถามเจ้าขาเราทำบุญให้มาดาที่ล่วงรับไปแล้วบุญที่เราทำส่งถึงไหมคะก็อยู่ที่ว่าผู้รับรอนรับอยู่หรือเปล่าถ้าท่านรอนรับอยู่ก็จะถึงถ้าท่านไม่รอนรับก็ไม่ถึง แล้วเราจะรู้ไหมว่าท่านรอถึงรอรับอยู่หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ส่วนใหญ่เรามักจะรอให้ท่านมาเข้าฝันเป็นอะไรเป็นธรรมเนียมของของชาวพุทธเราเวลาเรานอนหลับคนหนึงคนตายเขาจะมาเข้าฝันเราหรือเราไปฝันถึงเขานี้ก็ไม่สําคัญก็ขอให้ทําบุญส่งไปก็แล้วกันเผื่อาไว้เพราะเรายังไม่สามารถยนืนยันได้ว่าเป็นความฝันเราคิดถึงท่านหรือว่าท่านคิดถึงรบบเราไนแน่ คุณต้นครับพระอาจารย์ขาขณะนั่งสมาธิมีอาการปวดหัวขึ้นและหลังจากออกจากสมาธิก็ยังปวดอยู่จะมีวิธีแก้อย่างไรเจ้าข้าพระอาจารย์อันนี้ก็ต้องไปถามหมอแล้วนะถ้าเป็นเรื่องทางร่างกายถ้ามันเกิดขึ้นเฉพาะช่วงที่นั่งสมาธิแล้วพอเรื่องสร้งสมาธิมันหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของกิเลสที่มาสร้างอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องไปหามหมอเมื่อมันหายก็เนเป็นเฉพาะตอนที่เรานั่งสมาธิ ก็พยายามอดทนเพราะเวลานั่งสมาธินี่นกิเลสมันจะสร้างริวรันคือสร้างอุปสรคสาทมาขวางกั้นการปฏิบัติเของเราให้เราเกิดมีความรู้สึกปวดตรงนั้นบ้างเจ็บตรงนี้บ้างให้เราอยากไปสนใจให้เราอยู่กับการปฏิบัติในดูลองหายใจไปนี่บริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าจิตเข้าสู่ความสมบนบแล้อาการต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไป แต่ถ้ามันเป็นอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่ามันเป็นเรื่องของทางร่างกายก็าต้องไปปรึกษาแพทย์ว่าเป็นพเพราะอคําถามจสกุณกันนิกาครับการฝึกปฏิบัติด้วยการทวนกระแสอารมณ์บ่อยๆเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหมคะถ้าเป็นกระแสของกิเลส ก, ก็ควระถ้ามีความโลภ ก, ก็ควรจะทวนกระแสมีความโกรธก็ควรทวนมีความหลงก็ควรจะทวนทวนกระแสเหล่านี้ เพราะกระแสเหล่านี้เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเราคําถามจากคุณอันทิพยไม่ออกขออภัยนะครับถือสี่ห้าได้บุญไหมครับอาจารย์ครับได้แต่ได้มากได้น้อยอยู่ที่ว่าเราถือมากถือน้อยถือชั่วมองหนึ่งก็ได้บุญแค่ชั่วโมงเดียวพอหยุดถือมันก็หมดครับถือหนึ่งวันหนึ่งก็ได้แค่หนึ่งวัน พอหยู่ถือมันก็หมดเด่นถ้าอยากจะได้บุญเยอะก็ต้องถือไปตลอดชีวิตก็จะได้บุญแน่ๆได้บุญตลอดชีวิตนก็เหมือนเราสะสมว่างมันฝากาธนาคารอันละบาทนี้ถ้าเราถ้าเราใส่ทุกวันทุกวันตลอดชีวิตเราก็จะได้เงินเยอะได้บุญเยอะแต่เรารักษาศีลแค่วันเดียวหรือเรามันก็ได้แค่แป๊บเดียว มันก็ได้นิดเดียวง่ายๆมันจะมีกำลังพอที่จะส่งผลให้จิตไปพ้นจากอาบายไดหรือเปล่านี่ก็ยังไม่รู้เพราะวันที่เราไม่รักษาศีลน่าก็อาจจะไปทำบาปกันยังไงถ้าไม่รักษาศีลก็ถือว่าเราจะไปทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเราก็การักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลป้าปก็สแสดงว่าเราไปทำบาปบาปมันก็จะดึงจิตเราให้ไปอาบาย รักษาศีลเราก็จะดึงจิตไว้ไม่ให้ไปอะไรคําถามจากคุณพลังสอนครับพระที่มีอุดมคติทางการเมืองถือว่ามีกิเลสหรือเปล่าครับก็เป็นวิฉาทีิทำศาสนาคุณมันเป็นเป็นเรื่องของทางโลกที่ผู้ที่มาปฏิบัติต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกธรรมที่เป็นสิ่งที่นักบวช ต้องการสละต้องการนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเพราะการไปยุ่งเรื่องยุ่ again, เงเรื่องกับการบ้านการเมืองก็มันก็เป็นเหมือนกับการไม่ได้บวชแล้วครับเรื่องการบ้านการเมืองนี้เป็นสำหรับครารวาพวกของเมนผู้ที่มาเป็นนักบวชนี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมือยุ่งเกี่ยวับเรื่องของธรรมอย่าง <c oughs> <ๆ S 2> เดียวคําถามเจ้าคุณสันติครับการรัฐิสาการครับ มีอาการอันหนึ่งเคลื่อนมาจากความว่างแล้วทำให้สิ่งอื่นๆเป็นเราเป็นของเราจะพิจารณาอาการอันนั้นในแง่มุมใดครับขอบพระคุณครับก็พิจารณาว่ามันเป็นโมหะลรากันามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราคำถามจากคุณรักครับนั่งสมาธิจนกายผ่อนคลายสภาวะจิตรวมลงไปจนลมหายใจไม่มี ควรกำหนดดูอะไรต่อสภาพแวดล้อมร่างกายลมหายใจหรือทุกอย่างก็ดูความว่างไปพยายามรักษาความว่างอย่ายอย่ า, ยยายไปทําอะไรให้กระทบกับความว่างเช่นอย่ายไปคิดปูแตกในขณะนั้นให้ดูเฉยเให้รู้เฉยเฉยจาคุณบลาลังสอนครับพระควรรู้เรื่องทางโลกหรือเปล่าครับในเมื่อพื้นที่วัดหรือที่ปฏิบัติธรรมเป็นที่หลุดพ้นสิ่งต่างๆทั้งฟวง พระก็เป็นคารวะมาก่อนรู้โลกมาจนกระทั่งเบื่อโลกแล้วถึงมาบวชกันอย่างลำลำคนที่บวชจริงเนี่ยเขาจะเขาจะผ่านโลกมาก่อนส่วนคนที่มาบวชตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเมรเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่รู้เรื่องทางโลกก็ได้แต่ก็ไม่เป็นสิ่งที่ยากเย็นนี่จะเรียนโลกที่ควรเรื่องของทางโลกที่ควรนั้นก็มีอยู่แค่โลกธรรมแปดนี้เท่านี้ ในลาภยศสละเสริญสุขที่แบบที่ที่เป็นคู่คู่เป็นสี่คู่ด้วยนะมีการเจริญราภก็มีการเสรื่อราภมีการเจริญยศก็มีการเสรื่อยศมีสรนเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกนี่คือโลกธรรมที่พระ ค, ควรรู้รูแล้วก็ลปล่อยวางเพื่อที่จะได้ไม่ไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องเรื่องของโลกธรรม ถ้ายังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกกระทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะผิดทุนจับผาทุกได้คําถามจะคุณเชอล็อกโอมครับเรียนถามครับเราไม่มีตัวตนใช่ไหมทุกอย่างเป็นแค่อาการทางร่างกายที่เรารับมาหูตาจมูกลิ้นสัมผัสกายใจสมองไม่มีทั้งกายและจิตใจนี้ไม่มีตัวตนร่างกายก็เป็นธาตุสิงในน้ําำลงไปจิตก็เป็นธาตุรู้ ที่มีความรู้สึกนึกคิดซึ่งความรู้สึกนึกคิดนี่ก็ไม่เห็นไม่ใช่ตัวตนเป็นอาการของของแต่ละอาการหนความรู้สึกความนึกคิดก็เป็นอาการหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอาการหนึ่งความคิดก็เป็นอาการา ก, <Agre. S 1> ก, การรับการรับรู้ก็เป็นอาการไม่มีตัวตนไม่มีผู้มารับรู้ไม่มีผู้มาสั่งให้ร่างกาทยทํารุ่นทำนี้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัย คำถามจะคุณพี่ครับเคยเห็นร่างตัวเองออกมาจากกายเนื้อตอนที่มีความหมันเพียลในการนั่งสมาธิตนานมากแล้วไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ อ, อ๋อมันไม่ได้เป็นของจริงหรอกมันเป็นเรื่องปูนแตกของจิตนกายเนื้อตัวเองออกมาจากกายเนื้อนี้ที่ว่าตัวเองนี่เป็นใครเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมออก็มันก็เป็นเพียงแต่ความคิดปูนแตกของจิตที่มันปุนแตกขึ้นมาเองว่าเรา ำร่างกายนี้เป็นคนคนกันแตถ้ามันจะเห็นจริงๆนี้มันต้องเห็นตอนที่จิตสงบตอนที่จิตสงบนี้ร่างกายจะหายไปจากความรู้สึกเป็นความรับรู้รู้สึกขอ ง, ของจิตเหลือแต่ จ, จิตผู้รู้เพียงตามพังคำถามจ้าคุณเกียงครับนั่งสมาธิแล้วฟังธรรมะไปด้วยแต่ก็ต้องพูดโทไปด้วยอันนี้ถือว่าจิตส่งออกไปข้างนอกหรือเปล่าคะ ถ้าฟังธรรมนี้ก็ไม่ควรที่จะทําพุโทโธควรใช้ช่วยใช้เสียงธรรมเป็นแทนพุโทโธถ้าใช้ทั้งสองอย่างมันจะชนกันหนึ่งเราเวลาถ้าเราฟังธรรมเราก็ไม่ต้องทําพุโทโธให้มีสติอยู่าการฟังธรรมแล้วเสียงธรรมนี้ก็จะทําหน้าที่แทนพุโทโธทําติดของเราให้สงบได้ถ้าเราคิดตามสิ่งที่เราได้ยินเราก็จะได้ปัญญาความเข้า อ, อกเข้าใจขึ้นมา การฟังธรรที่มีประโยชน์สองสองประโยชน์ประโยชน์คือทําใจให้สงบถ้าเราฟังแล้วไม่คิดตามจใจเสียงธรรมนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อไม่ให้ใจเราไปคิดเรื่องราวต่างๆจิตก็จะสงบได้เนื้อถ้าเราฟังแล้วเราพิจารณาอย่างที่ตอนนี้เราฟังทํากันตอนนี้แล้วเราก็คิดตามพอเราคิดตามเราก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจออเข้าใจแล้วว่านั้นเป็นอย่างนั้นแดะนี่เป็นอย่างนี้ อันนี้กันเรียกว่าเกิดปัญญาขึ้นมางั้นเราต้องรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเราต้องการที่จะท่องพุทโธเราก็อย่าฟังธรรมปิดเสียงธรรมไปนะที่เงียบที่สงบไม่มีอะไรมามามาลบปวดใจมาดึงใจให้ออกไปข้างนอกแต่ถ้าเราต้องการอาศัยเสียงธรรมเป็นตัวกรอบใจเราก็ใช้เปิดธรรมะไปแล้วก็ตั้งใจฟังให้มีสติอยู่การสังไป ถ้ารอยากจะได้ความรู้ก็ต้องพิจรารณาต่างจากคุณเดบมัลติเวอร์เซลยูนิตครั บ, ก, บรการวัฒนการครับมีสคํคำถามครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งปัญญาเป็นนามธรรมที่เป็นสังคตะเช่นกันเราเชื่อถือปัญญาได้อย่างไรครับก็เชื่อได้ตอนที่ว่ามันดับความทุกข์ในใจเราได้ปัญญาทางวิทยศาสตร์สนามีหน้าที่เดียวกันก็เกิดมีหน้าที่ดับความทุกข์ที่มีในใจของเรา ถ้าเราปัญญาคือใยรักนี้มันดับความทุกได้เราก็เชื่อถือได้ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เราก็ใช้ปัญญาดับมันได้ข้อที่สองครับรูปนามทั้งหลายเป็นสังขตะทางทวารทั้งหกเราเชื่อถือความจริงที่ปรากฏเหล่านี้ได้อย่างไรครับก็เราเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นว่ามันเกิดจับเกิดดับมันไม่เที่ยมมาแล้วก็ไป แล้วก็สั่งมันไม่ได้เวลามันไม่มาสั่งให้มันมามันก็ไม่มาหรือเวลามันกาจะสั่งให้มันไปมันก็ไม่ไปก็แสดงว่ามันไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเรามันเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนลมพัดเหมือนแดดออกหรือน้ำไหลอย่างนี้มันมีปรากฏให้เราเห็นแต่เราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันได้ให้มันหยุดไหลเรื่อยให้มันหยุดพัดมันเป็นอนาตา มันเป็นอะไจากบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาถ้าเราไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราแล้วมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือการเห็นทุกอย่างภายในกรอบของตายรักทุกอย่างนี้อยู่ในกรอบของตายรักหมดทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีใารควบคุมบางคับมันมัาตามเหตุตาปมปัจจัยหมดถ้าไปอยากจะควบคุมบางคับมันก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ตอนนี้ญาตะอาจารย์นะครับคำถามเพื่อนๆถูกรีรเฟซไปเยอะเลยครับถ้าใครต้องการร่างคาตอบพิมพ์เข้ามาใหม่นะครับ <S <S คุณยุวะดีครับกล่าวนักการคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นจะได้รับผลกรรมที่ทําไหมคะดีก็จะถูกผู้อื่นก็เอาเปรียบเราทําสิ่งที่สิ่งใดไว้สิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราพอเราเสียสละก็จะมีผู้ผู้อื่นก็มาเสียสละให้กับมาทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันนี้นเป็นกฎแห่งกรรม ทีเป็นิถายมาสามารถมาลอกร่างได้เพียงแต่วาระของมันที่จะปรากฏนี้มั น, นอาจจะไม่ทันใจเราเท่านั้นเองจากคุณพิชัยครับกาบเรียนผ้าจารย์ครับการละสักกายทิฐิยังกลัวตายอยู่ไหมครับยังอยากแข็งแรงมีอายุยืนอยู่ไหมครับแม่นรับถ้าอยากละสักกายทิฐินั่ก็จะรู้ว่าถ้าอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะทุกขนมาอยากให้ร่างกาย ไม่เจ็บไายพอมันเจ็บไายก็จะทุกขึ้นมาอยากให้ร่างกายแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงก็จะทุกข์ขึ้นยังคงมิลลสกายะที่ถีอได้ที่รู้ว่าต้องละความอยากเกี่ยวกับเรื่องร่างกายให้หมดร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ต้องป่อยเป็นไปตามสภาพเหมือนกับต้นไม้เราไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราที่เรายัางไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะเราอยากไปคิดว่ามันเป็นตัวเรา แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเหมือนต้นไม้เราก็จะไม่มีความอยากที่จะไปยุ่งกับมันอีกครับแต่เราก็สามารถที่จะดูแลให้ดีที่สุด ไ, ได้ดูแลก็เหมืนอนเราดูแลต้นไม้ต้นไม้เราก็ดูแลไปนแต่ถ้ามันจะตายเราก็มันก็ทํายับยังมันไม่ได้ต้นไมามันถึงเวลามันก็ตายนะแต่เวลาที่มันยังอยู่เราก็ตกแต่งมันได้ถ้ามันมีโรคเราก็อายามารักษามันได้ดร่างกายเราเนี้ก็เหมือนต้นไม้ที่อยาง เราก็หล่อเลี้ยงเลี้ยงมันให้อาหารให้น้ามันให้อากาศให้ดินน้ำลงไปกับกับร่างกายถตเวลาที่มันเป็นอะไรขึ้นมาถ้าเรารักษาได้เรากรักษาไปถ้าราักษาไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยไปทางธรรมชาติคำถามจากคุณสลิตาครับมีคนโกงเงินไปแสนกว่าบาท แล้วหลานก็เลยคิดหาเหตุผลของเขาดูว่าเขาน่าจะมีความจำเป็นบางอย่างแล้วกำหนดเมตตาแล้วก็ให้อภัยแล้วก็สบายใจหลานไม่ถนัดนั่งสมาธิแต่จะถนัดใช้สติในเวลาทา ง, งานและใช้สติสอนใจตามหลักธรรมไปเรื่อยๆทำแบบนี้แล้วใจมันเบาไม่มีอะไรกวนหลานทำแบบนี้ถูกต้องหรือผิดอย่างไรบ้างเจ้าคะถูกต้องใช้ได้แต่มันอาจจะใช้ได้ในระดับที่ที่เราเป็นอยู่ขนาดนี้ถ้าจะทาให้จิตสงบเป็นสมาธินี้ ก็า จ, จะไม่สามารถทําได้ดังนั้นเรากาจจะต้องอาศัยการแ่งอยู่ลมหายใจหรือการการบริกรรมพุโทโธพุโทโธแต่ถ้าเรายังไม่ได้มีความปรารถนาที่จะไปถึงทำระดับนั้นเราก็ใช้ทํำระดับที่เราทําอยู่นี้ใช้เหตุใช้ผลพิจารณาเพื่อให้ละความไม่สบายใจต่างๆได้ก็ถือว่าใช้ได้ คุณโรนันโดเขาคอมเมนต์ครับอาจารย์เป็นพระป่าสสหลวงปู่มั่นที่ตอบคำถามธรรมะให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดตรงที่สุดให้คนฟังเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับอาจารย์เหมือนยได้นูกยออยเต็มเต็มเต็มลูกเลยสาธุสาธุโดนนูจนดนาคงยีงไม่ค่ได้ยินนะเพราะมอไม่ไม่ปล่อยให้เข้ามา แต่คุณเปตองครับพระสงฆ์พูดเรื่องการเมืองหรือสถานการณ์ปัจจุบันได้ไหมครับอาจารย์ไม่ครครับพระพุทธเจ้าสอนให้พระพูดแต่เรื่องธรรมเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระพูดมีอยู่สิบเรื่องด้วยกันหนึ่งเรื่องความมักน้อยสองเรื่องสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่สามให้พูดถึงความเพียรการปฏิบัติสิ่สมาธิเรื่องของการทําความเพียรต่างๆ สี่เรื่องของการปรีดวิเวกให้พูดว่าที่นั่นสงบนะที่นี่สงบนะป่าเขาลุมนั่นสงบดีไปภาวนาตรง น, นั้นตรง น, นี้นีนะ่ให้พูดเรื่องราวในเวลาพระเจอกันนะไม่ใช่ว่าที่นั้นที่นั่นที่นี่มีการชุมนุมมีกา ร, รมาทวงกันไม่ใช่ที่เจ้าไม่สอในให้พระพูดเรื่องราวให้ไปพูดถึงเรื่องวิเวกนะแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องการไม่โกกิเกัน อยากคุกคีกันยากกันอยู่ตามลำพังน้อกรักคุกคมันจะทําให้เกิดรีวอ์เกิดความทุกข์สั่นหลุดคุยคุกคกันเนี่ยก็ทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกันอาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมาทำให้จิตไม่สงบอยากคุกคีกันให้เป็กไม่ิเวกไปอยู่คนเดียวแล้วก็พูดถึงเรื่องศีลว่าศีลเรา ส, สมบูรณ์สุดหรือไม่พูดถึงสมที่ว่าตอนนี้เราได้สมาธข้างไหนแล้ว ระดับปานา ข, นาขนนนั้นปจาระขั้นคณิกะพูดถึงปัญญาว่าเราได้ระดับไหนนะครับ ว, ว่าเลือกละสังโยชน์ตัวไหนได้บ้างแล้วก็พูดถึงวิมุติติว่าการเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับไหนนะครับแล้วลวิมุตริญาหน้าทัศนะคือยานย่างทราบล้วว่าเราได้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นะนี่คือเรื่องหัวข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้ท่าที่สุด เวลเจอกันให้คุยเรื่องราวแบนี้ก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเข้า อ, อกเข้าใจที่ดีขึ้นถ้าเราไปคุยกับพระที่สูงกว่าเราเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เรายัางเข้าไม่ถึงได้แล้วพยายามทให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาที่จะนําออกมาใช้ในการปฏิบัติของเราได้นี่คือเรื่องของพระสังเกต ด, ดูนะเวลที่เราจะเห็นรูปรูปถ่ายที่เขาถ่ายในหนังสือต่างๆ เวลามีพักเจอกันนี่ก็มักจะบอกว่าท่านกําลังสนทนาธรรมนะหลวงปู่หลวงปู่มันสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขาวอะไรอย่างนี้น้ำจะไม่ไปบอกว่าท่านกําลังคุยเรื่องการเมืองกันนะไม่มีหรอกจากคุณสุขพัภศรครับการรัศ ก, การค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจไปสักพักแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ได้หายใจเป็นแค่อากาศ คืออาการปกติไหมคะมันก็เป็นเพียงแต่ความรู้สึกที่จิตเราอาจจะสามารถดูแตกไปได้ซึ่งเราไม่ควรไปสนใจขอให้เราตั้งใจดูแต่งเพียงอย่างเดียวนัว่นะเราจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปนสนใจเพราะว่าถ้าไปสนใจแล้วจะทําให้เราไม่ได้ดูมองต่อแล้วการภาวนาของเราก็จะหยุดชะงักอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่ก้าวเข้าสู่ความสมงบได้ เวลาที่เรานั่งสมาธิดูลมหายใจนี่อยากไปสนใจกับอาการต่างาาๆที่ปรากฏขึ้นมาให้มู่อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวจงกว่าจิตจะรวมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นจากคุณกิก่ง ก, กันครับทมที่คารวาสควรยึดถือปฏิบัติมีอะไรบ้างคะก็มันมีหลายลักษณะก็จา เช่นให้มีให้มีสัจจะความซื่อสัตย์ความจริงใจให้มีจาระก็คือให้มีความเสียสละอยากคิดเอาแต่ได้ต้องรู้จักเสียสละแบ่งปันประโยชน์สุขที่เรามีให้จาก่ผู้อืแล้วก็ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตนแล้วก็ให้มีขันติความอดทนนะ นราได้มีธรรมะความอดกัน้นนี่ก็คือทางที่กาลวานคอนเจจะมีกันไปเจอความทุกข์ยากลําบากอลไรต่างก็อดทนเช่นยุคนี้เรากำลองเจอในยุคลําบากก็ตกงานมากรายได้ลดน้นอยถอยลงมากก็ก็อดทนไปอย่าไปอย่าไปท้อก็อย่าไ ป, าไ ป, าไปแพ้อานาจใส่ต่าให้เราดึงให้เราไปทํา สิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งที่เป็นพพศเป็นภัยกับชีวิตเราอดทนหรือมันอย่าไปทำมันส่วนความอดกั้นก็คืออดกั้นอารมณ์ที่มีอยู่ในใจเราเวลาที่เรามีอารมณ์เสียอย่างระบาย อ, าอย่าระบายที่เราเป็นข่าวนี้ทุกวันนี้ไม่มีความอดกั้นกันเอาโกรธขึ้นมาเครียดขึ้นมาก็ระบายขึ้นมาด้านนี้ก็ไปทำร้ายผู้อื่นมันไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเถิดนอน แล้วก็ต้องส่งคนกลับมาที่ตัวเราเราก็ต้องไปใช้กำถูกตำหวจจากเข้าคุกเข้าตารางเรื่ออะไรไปซึ่งมีข่าวแล้วเดี๋ยวนี้มีตำรวจคนหนึ่งบอกเครียดก็เลยชักปวยออกมาแล้วก็ไปไปไล่ชาวบ้านไปไล่ไปทุกตีชาวบ้านอะไรต่างๆใ น, น, นที่สุดตอนนี้ได้ข่าวว่าเา้ห้ออกจากราชการแล้วเพราะการไม่มีความ ความอดกลัไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้นักกันอารมณ์ไม่ดีเกิดความเคียดเกิดความโกรธขึ้นมาและเกิดความโล่งขึ้นมาก็ปล่อยมัออกมาด้วยการกระทํางกายทางว า, า, า, าจาเนี่ยคือเป็นทำที่ถ้าถ้าใครสามารถเจะนำธรรมะทั้งสีข้อนี้ได้มันเป็นคนดีมากนะคือหนึ่งจาคะศรระีลสละสองสัจจะคือความซื่อสัตส์สจจวิต 3. ขันติความอดทนและสีธรรมะความอดกัน้นอยู่กับใครที่ไหนจะไม่สร้างความเสียหายเป็นร้อนให้กับใครมีแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์โดยทายเดียวคำถามจากคุณสราวีครับการนวัตการพระอาจารย์ ข, ขับรถแล้วเหยียบงูโดยไม่ตั้งใจไม่สามารถหลบได้จริงๆจะบาปไหมคะไม่บาปครับถ้าเราไม่มีความตั้งใจถือว่าเป็นอุบัติเหตุ ซึ่งมาจะเกิดได้ทั้งสองทางคือเราไปทําเขาหรือเขามาทําเราก็ได้เช่นเราขับมรถไปคนขับรถสวนมาเมาเล้าเผลอหลับวิ่งเข้ามาชนภาษานเราเมื่อาคงเคยได้ยนนินข่าวนะบางคนข้ามเกาะข้ามถนนข้ามาชนรดอีกอีกข้างทาให้คนที่มาไม่รู้อีโนย ใ, ใ, ในใต้ไปเขาก็ไม่บาดแต่เสียหายแต่ไม่ีเสียหายไม่มีคนที่รับเขาไน้าคน ทอนนั้น ก, ก็ต้องนับเ้อาไปก็ถือว่าเป็นวิบากของเขาที่จะต้องมาจบชีวิตแบบนี้ไม่มีใครไม่มีใครบาป ค, คนที่ทำให้ตายก็ไม่ไม่บาปเพราะก็ไม่มีความตั้งใจคุ ณ, ณนัทนานครับกา ร, รการนับการหากเรารักษาสีลห้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปหนึ่งข้อจะได้บุญไหมคะก็ได้บุญน้อยลงงไายหนึ่งข้อ สมมติห้าขาก็ได้น้อยได้ได น, น้อยคะแนนถ้าขาดไปห น, นึ่งข้อก็ลดไปยี่สิบคะแนนก็ได้แค่8ปดสิบคะแนนคำถามจากคุณป๊อปครับเวลาใจคิดไม่ดีต่อคนอื่นบาปไหมคะยังไม่เป็นบาปเพราะเรายังไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปทำลายขเขาแต่ถ้าเราเพลงแต่คิดมันก็เป็นเพลงแต่เป็นอกุศลเป็นการสร้างความทุกข์ให้ คทุใ จ, ใาจากคุณวิทย์ครับคำว่านั่งภาวนาที่ครูบาอาจารย์มักแนะนำให้ไปปฏิบัติหมายถึงเฉพาะนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือต้องพิจารณาชีวิตด้วยครับส่วนางานก็จะเป็นงานนั่งสมาธิอย่างเดียวยกเว้นว่าเวลาที่นั่งไปแล้วแล้มีภาวะที่จเป็นต้องใช้ปัญญาเช่นจิตจอกับทุกขเวทนาอย่างนี้ เราไม่สามารถใช้สมาธิยับยั้งมันได้ท่านก็จะใช้ปัญญาพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นว่าเป็นทายละให้ได้เพื่อที่จะแ ย, ยกแยะใจออกจากทุกขเวทนาถ้าแยากแยะได้ใจก็จะสงบแล้วใจก็จะไม่ทุกขับทุกขเวทนาแในส่วนใหญ่เวลานั่งนี้ท่านนั่งภาวนานี้ยมักจะน่งสมาธิกัน าการเจริญปัญญาวิปัสสนา t ี i สามารถทําได้ในทุกอินเดียเดินจงกรมก็ได้เยืนก็ได้ทําอะไรอยู่ก็ได้ทำาบารมีเจริญบรรลุทําได้ด้วยปัญญาบางองค์นี้ท่ากนกำลังโปงผมอยู่ท่านโปงว่าเป็นอนิจจังว่าท่านกันบรรลุธรรมเป็นโสดาบารขึ้นมาได้พอมอีกครั้งหนึ่งก็บรรลุเป็นสกิทาคาร์ได้นี่อันนี้เป็นขั้นปัญญา ข, ขั้นสมาธิส่วนใหญ่ต้องนั่งคำถามเจ้าคุณเล็กครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายอาการของวิตกวิจารปิติสุเอกขตาครับว่าแต่ละคำมีจะมีอาการและมีความรู้สึกอย่างไรในระดับขั้นของสมาธิครับคือเราเก็ไม่ค่อยได้ไปสนใจในะพูดตามความจริงเวลาปฏิบททัติจริงๆไม่ต้องไปรูร้ขอให้เรารู้ว่าเราเมตติอยู่ครับ อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมจิตแล้วมันก็จะพาเราผ่านวิตรวิจารปฏิสิบเอกนะิพพัาตาไปเองนี่ถ้าจะให้ให้อธิบายให้ฟังอาจจะทําได้แต่ไม่แน่าใจว่าจะชัดเจนหรือไม่นะวิตกวิจารนี่ท่ทานหมายถึงคําว่าวิตก์นั่นหมายถึงตรวิจารณหมายถึงตรเรามักจะมีการตรตรเวลาเราคิดอะไรแล้วต้องตรกอ่อนตรแล้วก็ตร ตรึกก็หมายถึงเราคิด <append> ถึงเรื่องที่เราจะไปกรองนะคิดถึงเงินก่อนแล้วก <t ry> ็เป็นกรองว่าตอนนี้มีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่แล้วเราก็ตรึกกรองแต่ในขณะที่เรานั่งสมาธิเราไม่ติดเราไม่ตรึกกลองเรื่องเงินทองเราตรกกรองเรื่องเงินเรื่องมหายใจเรื่องคําอะไรกับพุทโธถ้าเราพุทโธแล้วก็ถ้าเรากำลังพุทโธอยู่รู้ว่าเรากำลังพุทโธอยู่มันแสดงว่าเรากำลังตรึกกรองอยู่กับพุทโธพุทโธไม่หายไป ถ้าหายไปก็แสดงว่าเราหยุดตึกตรองทำแล้วหรือถ้าเราไปดูลมแล้วเราหยุดดูลมใจเราไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าเราไม่ได้ตึกตรองอยู่กับลมหายใจนะเน้นตรองนี้หมายถึงว่าเราตึกตรองอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจในขณะที่เราภาวนาตรองอยู่กับพุทโธหรือตรองอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปที่อื่นไม่ไปคิดเรื่องอื่น ใจก็จะเข้าสู่ความสนบทิ้งเที่ยเล็กที่ยน้อยเกิดความปรติขึ้นมาเกิดความรู้สึกขดลุกขึ้นมาหอบใจมันสงบมันเริ่มเบาลงเริ่มสบายขึ้นแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาถ้าถ้าภาวนานต่อไปเรื่อยๆวิตรวิจารปรีดิสุขนี่ก็จะหายไปหมดล้วแต่เอกคกตาคือแล้วแต่อารมณ์เดียวในกรตานี่ก็คือการมีอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็คือ ความว่างแนะความรู้นะฮะดยผู้รูนะ้รนะี่อยู่กับความว่างเรีย ว, ว่าไอ้ข้ากตาลงอันนี้ก็ถึงขั้นฌานที่สี่นะส่วนพอเราเริ่มต้นนี่เราก็ถือว่าเราเริ่มเข้าสู่ฌานที่หนึ่งนะถ้าเราดั้งดูลมดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆนี่เราก็เรากำลังอยู่ในฌานที่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเมื่อเกิดปิตุขึ้นมาเกิดสุขขึตามมาตามไป เวลาปฏิบัติจริงๆอย่าไปสนใจอย่าไปเลี้ยงลำดับอย่าไปทักอย่าไปดูว่าตอนนี้ปิดเองเกินหรือยังสุขเกินหรือยังอันนี้ถ้าไปคิดอย่างนี้แนละ้วว่าไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่มีตึกตรองอยู่กับลมหายใจนะก็เลยมีตึกจองอยู่กับพุโทโธแล้วการภาวนาก็ล้มเหลวทันทีหยุดชะงักทันทีถ้าเราเริม่มไปคิดวิเคราะห์พิจารณ์ใช่ไหมลนะ่เวลาปฏิบัติจริงๆแล้วบางทีไม่รู้เรื่องเราเหล่านี้จะดีกว่า ดูแลมันอดอที่ย่าไปทิ้นไปด้ให้ตอนนี้เราตึกตรามอยู่หรือเปล่าตอนนี้เราอยู่เราได้ปิติไหมยังเราได้สุขไหมยังถ้ามานั่งกินอย่างนี้เราไม่ได้นั่งภาวนาจะไม่ได้ผลคเคยไอ้ข้ากตาลจิตรวมเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหนึ่งเดียวยนั้นเวลาภาวนาจริงให้ตึกตรามอยู่กับลมาหายใจและอยู่กับพุโทโธเพยียงอย่างเดียวแล้วยังอื่นมันจะตามมาเอง คำถามจ้าคุใหม่ครับการธรรมศาสการพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วเห็นสีรุง้งมันเป็นการจินตนาการของจิตหรือเปล่าคะมันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจเหมันถ้ า, าไม่รู้ก็เม้แล้วก็เม้าไม่ว่ามันเป็นอาการปลุกแต่กของจิตขึ้นมาได้เพราะมันไม่ได้มาจากที่ไหนมันก็มาจากภายในจิตเราจิตเราเนี่เป็นผู้ที่มีสังขารความคิดปลุกแต่กที่มันสามารถปลุกแต่งเรื่องราวต่างๆอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆขึ้นมาได้ชั่ววั แต่นั้านั่งสมาธิแล้วถ้าเห็นไม่กวนไม่สนใจวกับมาอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ทําทําให้ใจให้สงบต่อไปถ้าเราไม่สนใจกับอารมณ์ไปตามรู่เหรือเจิตมันก็รูปแต่งเปลี่ยนเปลี่ยนสีลงให้กลายเป็นสีนู้ดสีเขียวสีฟ้าสีแดงมันก็เป็นเพลินกับมันแล้วเราก็จะไม่ได้ภาวนาะแล้วจิตเราก็จะไม่เข้าสู่เอกขัตตาได้ เพราะฉะนั้นเวลาพอเราจะการให้จิตรวม้าสื่อความสงบให้เหนือสักว์แต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่กับลมาหายใจไปไอยู่กับพุโทโธไปอะไระปรากดขึ้นมาอยา่าไปสนใจคำถามจ้าคุณทำนำทางครับมีความคิดที่อยากจะบทชีตลอดแต่ยังมีภาระต้องเลี้ยงดูมารดาควรวางใจยังไงดีคะก็มารดาไปือนด้วยเหมือนด้วยกันได้ แต่คุณธรรมดาครับกลบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกเหมือนมดจำนวนมากไตเข้าผ้าถุงรู้สึกตกใจเลยรียบลืมตามมาดูกับไม่มีมดสักตัวต้องปฏิบัติอย่างไรคะเพื่อไม่ให้เจอแบบนี้อีกขอบคุณค่ะเมืเ่อเจอแบบนี้ก็บอกผูู้กรอยอีกแล้วสิ ม, มีประสบการณ์แล้วนี้ทีกิดอาการอนี้ก็อย่าไปสนใจมันแล้วก็พูดโทไปดูลมหายใจไปไม่ต้องไปสนใจ ถ้ามันเป็นขอจริงเดี๋ยวก็รู้เองมันเป็นของจริงเป็นจริงถ้ามันเป็นจริงเดี๋ยวมันกัดเราจนเจ็บจนได้แต่สัญญาณมันก็เป็นอาการหลอบเราเท่านั้นนะครับจากคุณลับบิคครับการเปลี่ยนถามพระอาจารย์ค่ะข้อสองข้อนะครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งการตกนรกขึ้นสวรรค์ในศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นเป็นคนละที่การหรือมารวมเป็นที่เดียวกันแบบศาสนาพุทธคะคือความจริงมันที่เดียวกันเพียงแต่ว่าแต่ละศาสนาอาจจะมี ความเข้าใจไม่เหมือนกันนามหลักศาสนาพูดก็คือจิตนี่แหละพู้ที่ทําต้นทำจิตชงตนเองให้เป็นสวรรค์หรือทาจิตตนเองให้เป็นนรกด้วยการทําบุญหรือทำบาปข้อที่สอ ง, สองทุกคนบนโลกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าศาสนาไหนมีเวียนไหวาตายเกิดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เหมือนกันหมดจิตนี่เป็นสากลไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนา เราเชื่อไม่เชื่อว่ามีการเรวีเยนว่าตายเกิดแล้วมันก็ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงคามจริงอันนี้ความจริงอนี้นก็คือจิตนี้มาเกิดมาเกาะติดกับร่ า, ก า, กากงกายแล้วมาล่างกายอันนี้ที่เกาะติดตายไปก็ย้ายไปหาร่างกายใหม่เพื่อไปเกาะติดกับล่างกายใหม่ตอบไปคำถามจะคุณสัรค์ครับกราบสาธุครับอาจารย์คาว่าปล่อยวางวางเบาเอาหนักความหมายคืออะไรครับตีความหมายไม่ออกครับ ก็ออกว่าปล่อยวางก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยไว้ก็เป็นไปตามที่องค์เขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเรียกว่าปล่อยวางพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าเราสบายนะสบายถ้าเราไปยุ่งกับเขาถ้าเราวุ่นวายเราเดือดร้อนกังวลให้ปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีที่สุดคำ ถ, ถามจากคุณพีแรนด้าครับ การธรรมส ก, การเจ้าข่าขอโปรดอธิบายว่าในบทอานาปานสติที่กล่าวว่านําอภิชาและโทมนัทออกจากโลกนี้เสียโลกในที่นี้หมายถึงอะไรคะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะเราไม่ได้ศึกษารละเอียดขนานั้นขนาดพาสติแล้วก็เป็นแต่รู้ลมหายใจเข้าออกที่บลายจมกูกอินทรนันเองเข้าว่ารู้ออกว่าู้อยากวารู้ละเอียดก็รู แล้วมันก็จะทําให้เราละทุกสิ่งทุกอย่างละอารมณ์ต่างๆที่มีในใจของเราได้เมื่อจิตมันจะเข้าสู่ความว่าเข้าสู่โมเป็ขาต่อไปนั้นไม่ต้องไปคิดว่าเราระอะไรว่าเป็นโลกนี้หมายถึงอะไรไม่ต้องไปนสนใจคิดว่าโลกนี้ก็คือโลกของที่จิตเราถูกพันเกี่ยวข้ง อ, องด้วยโลกของโลกกระทำแปนี่เอคือโลกตัวอย่างคาว่าโลกนี้หมายถึงโลกกระทำแป คุณแฟตบอยสลิมครับเวลาขับขันจะเสียชีวิตเขาให้นึกถึงบุญที่เคยทําอย่างนี้เรานึกถึงอัปนาสมาธิที่เคยทําได้ได้ไหมครับเดียนน้ำประการพระอาจารย์ครับไม่ให้นึกให้ทำเลยให้ทําเลยให้ดูลงไปใหใจเข้าออกไปอย่างเดียวอย่าไปคิดปูมแต่งอย่าไปคิดว่าเราจะตายหรือ ไ, ไม่ตายหรือย่างไรให้ไม่ทำใจให้ดูลงไปเพียอย่างเดียวแล้วใจจะสงบตายก็สงบไม่ตายก็สงบ คุณเดิมมัลติเวอร์ซครับระดับการปฏิบัติและสภาวะธรรมที่ยังเป็นรู ป, ปรธรรมอขออภัยครับอาจารย์เป็นรู ป, ปรนามจิตอยู่ควรยึดถือว่ามีว่าไม่มีเป็นตัวตนหรือไม่ครับคือการปฏิบัติธรรมเนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่เราจึงเป็นที่ต้องปฏิบัติให้มันได้ก่อนขั้นตอนแรกก็คือเราต้องฝึกสติให้ได้ก่อนครับเพื่อให้เรานั่งสมาธิทําจิตให้เข้าสู่ความสง บ, บความว่างให้ได้ก่อนนะครับ เราได้เข้าสู่ความว่าความสงบของจิตแล้วเราก็จะเริ่มเห็นว่าไม่มีอะไรมีเป็นตัวตนไม่มีตัวตนแต่พอเราออกจากสมาธิมาจิตเราก็มาสัมผัสรับโนกับสิ่งต่างๆมันก็จะไปคิดว่ามีตัวมีตนอันนั้นเราต้องมาใช้ปัญญามาสอ น, นใจว่าตัวสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับโนทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้ล้นเป็นธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่ทํามาจากดินน้ําลงไป ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลถึงแม้เราจะไปสมมติว่าเขาเป็นบุูคเก็เป็นสัตว์ความจริงเขาก็เป็นเพลงแต่ส่วนประกอบของดินน้ำหบดไปที่ไม่ช้าก็เลยวันใดวันหนึ่งเขาก็จะต้องสูญจะลายกลับคืนสู่ดินน้ำหมดไปไปอันนี้คือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นที่เราพูดอย่างนี้คือขั้นปัญญาในตอนที่เราจะสามารถมาเห็นได้อย่างเป็นกิจลักษณะและสามารถปล่อยวางได้เนี้เราต้อง ผ่านสติผ่านสมาที่มาก่อนถึงจะสามารถทําขั้นปัญญานี้ได้แต่เพียงแต่คพียงแต่คิดเฉยๆนี่นมันคิดได้แต่พออะไรมากระทบร่างกายเราหนนี้กลายเป็นตัวเราไปหมด RGB. ใช่ไหมเราคิดว่าไม่มีอะไรตัวตนหน้างกายก็ไม่มีตัวตนพราอปวดท้องขึ้นมานดิไขเดือดร้อนขึ้นมานนทีตัวตนเดือดร้อนขึ้นมานนที คำถามจากคุณกันนิกาครับการฝึกการควบคุมความคิดการทวนกระแสอารมณ์ต้องใช้กําลังของสมาธิด้วยตลอดใช่ไหมคะต้องใช้สติคําว่าสมาธินี่เป็นคําที่เราใช้แทนสติกันแต่ตามหลักการปฏิบัตินี่ต้องใช้สติตลอดเวลาถ้าเรามีสติเราก็ควบคุมความคิดได้ส่วนคําว่าสมาธินี่ก็คือเวลาจิตนิ่งสงบไม่เคลื่อนไหวเราถึงเรีว่าสมาธิ คำถามเจ้คุณธาราครับกาลังพิธสการครับขออนุญาตถามผู้ที่ปฏิบัติถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญในธรรมเพื่อเจริญปัญญาและเพื่อความหลุดพ้นแต่ยังกราบไหว้บูชาพญานาคองค์ปู่ต่างๆเทพเทวดาผีสางนางไม้แล้วจะเจริญปัญญาเพื่อความหลุดพ้นไประดับพระโสดาบันได้ไหมครับได้ครับปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่เป็นปัญหากับจิตใจของเราที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเนี่คือ การกระทําของเราเองทางกายวาจาและใจที่เป็นไปลายทางทางของกิเลสทันหาความโลภความโกรธความหลงนี่นั้นเองส่วนการบูชาปัญญาณน้าหรืออะไรต่างๆนี้มันไม่มีไม่มีผลอะไรต่อการกา ร, การการกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของเราสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ในใจของเราก็คือหนึ่งการกระทํำบา สองการกระทําด้วยความอยากต่างๆอยากได้นู่นอย่างมีนี่อันนี้เท่านั้นแหละที่เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ผู้ปฏิบัติพอถึงขั้นนี้แล้วก็จะละสิรพัสสะปรมาได้ไม่ต้องไหวบูช า, าพระยาได้เพราะว่าไปก็ไม่ได้มากํจาจัดความทุกข์ภายในใจของเราได้สิ่งที้จะกำจัดความทุกข์ภายในใจของเราได้ก็คือการละเว้นจากการทาําบากระการละความอยาก ต, ต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกใจขึ้นมานทนนั่นเองนันก็จะบรรลุขั้นต้นได้พระโสดาบันก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช้วิธีว่า้บูชาพญานาคต่างๆเพื่อมากำจัดความทุ ก, กจะใช้การรักษาศีลแต่รักษาศีลนิ่กว่าชีวิตแล้วก็มาละความอยากที่ไปอยากให้ร่างกายนี่เป็นเป็น เป็นสุขไม่ไม่มีความทุกข์อยากให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายนี้ไม่ตายเพราะความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทําให้ใจมีทุกข์นั่นเองคำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับจากคุณฮัตสกี้บยครับคุณแม่อายุ88ชอบฝันถึงแต่คนเก่าๆและมักไม่ค่อยมีสาระและเป็นเรื่องที่ไม่ชวนให้สบายใจการแนะนําให้ท่านหมัน่นกําหนดจิตที่พุทเข้าโทออกจนเพลินหลับไปช่วยได้ไหมครับเหมาะควรหรือเปล่าครับ ถ้าท่านทำได้ก็ดีรวล า, าท่านทำท่านมีการภาวนาก็จะทําให้ท่านคิดหยุดความคิดความคันต่างๆได้ไหนก็อย่าไปบังคับท่านก็แล้วกันเดี๋ยวบังคับท่านแล้วท่านโกรธเอาถ้าท่านไม่อยากทําแนะนําได้แต่ถ้าท่านไม่อยากจะทําก็ต้องยอมรับสภาพไปอาจารย์อีกสักคำถามานะครับอาจารย์จากคุณคลิฟฟี่แพนด้าครับ าศศการนมัสการค่ะพระอาจารย์การที่เราเป็นคนขี้สงสารเวลาเห็นคนที่มีสภาพน่าสงสารเราเห็นแล้วสงสารน้ําตาจะไหลเราควรฝึกใจอย่างไรคะขอบคุณค่ะก็ฝึกอุเบกขาพระเจ้าบอกว่าถ้าเร า, เ, าเห็นใครแล้วเราสงสารเขาแต่เราทําช่วยหรืออะไรก็ไม่ได้แค่ที่ว่าเป็นกรรมของเขาแล้วกันจะตั้งหลายเป็นกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอนไดไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เราจะได้รู้ไปรู้สึกเศ้าสลดเสียใจครับผมขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะสำหรับวันนี้ครับพรอาจารย์ครับผมก็โอกาสบอกเพื่อนรุ่นฟังธรรมด้วยกันนะครับพระอาจารย์วันนี้ใน facebook มีฟังด้วยกัน659คนใน y o u ูทูป527คนและในคลับเฮาส์11คนครับวันนี้มีเพื่อนที่ฟังธรรมด้วยกัน 1,197 คนนะครับพระอาจารย์ครับอาธุขอให้ทุกท่านที่ร่วมฟังกันในวันนี้เขาได้ ประโยชน์ากไม่มากก็น้อยแล้วนำมาไปปฏิบัติเพื่อทำให้จิตพัฒนาก้าวไกลขึ้นต่อไปวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรคเวลาก็ขอให้ท่านจบในบเสิ่ที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพื่พิจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุก็ขอลาคุณลอละท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีอะไรผิดแปลงของพวกันวันอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับอาจารย์ครับขอการวันเปี่ยนทั้งเดียวกับอาจารย์ครับหังหน้าเปมีกลับเป็นวันอาทิตย์เหมือนเดิมครับอาจารย์ครับเดิมนโอเค้าจครับกลับลาอาจารย์ครับ